เสียงที่ท่านผู้ฟังกำลังได้รับฟังอยู่นี้ไม่ใช่เสียงสวรรค์เสียงสวรรค์ไม่ใช่แบบนี้แต่เสียงนี้เป็นการกระจายเสียงจากสถานีมาตามคลื่นสัญญาณ FM บ้าง AM บ้างหรือถ้าท่านฟังรับฟังทางคลื่นสั้นหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตสัญญาณนี้ก็ไปตามนั้นกันเสียงสัญญาณที่เรากระจายส่งไปนี้ที่บอกว่าไม่ใช่เสียงสวรรค์นั้นเพราะมันไม่เหมือนกัน เสียงสวรรค์มันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะได้ยินได้ด้วยไม่ต้องใช้หูนั่นคือไม่ได้ใช้หูที่เป็นกระดูกตั้งทอนโคนพวกนี้แต่เป็นเสียงที่ได้ยินได้ด้วยหูทิฟเสียงสวรรค์ที่ได้ยินนั้นก็จะไม่เหมือนแบบนี้แต่เป็นเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงสวรรค์ที่พระเจ้าได้เคยบอกไว้ก็ชือว่าเสียงที่เราน้าพอใจได้ยินเสียงบางทีเสียงเป็นเสียงที่ธรรมดาบ้างเสียง Tay, ที่ไม่น่าพอใจบ้างนั้นไม่ใช่เสียงสวรรค์แต่ถ้าเป็นเสียงที่น่าพอใจนี่นั่นคือเข้าขายลักษณะของเสียงสวรรค์แต่เสียงที่ยิ่งกว่าเสียงสวรรค์อีกนั่นก็คือเสียงที่ของคนที่รู้อริยสัจสี่นั่นคือคนที่ยังไม่รู้อริยสัจสีเนี่ยต่อให้คุณได้ยินเสียงที่น่าพอใจน่าหลงใหลน่าเพลิดเพลินนี่มันยังเป็นความทุกข์อยู่เพราะว่าถึงแม้นั่นจะเป็นเสียงสวรรค์แต่เป็นเสียงสวรรค์ที่ยังมีความทุกข์ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงสวรรค์ที่เราสมมติกันว่าเป็นเสียงไพเราะเพราะพริ้งหน้าฟังหน้าเปลิดเปลินใจยิ้มแย้มแจ่มใสคนเขาชมให้เราแม่มันสบายใจมีความสุขใช่ไหมแต่เมื่อไรมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังนั่นจะไม่ใช่เสียงสอนทันทีเสียงสอนจะหายไปทันทีแต่นี่เป็นเสียงธรรมะเสียงธรรมะเสียงธรรมะเป็นยังไงเสียงธรรมะเป็นอย่างนี้เป็นเสียงเหมือนกับการบรนลือสีหนาะ การบรนลือสีหนะของพระย า, าศรีห า, านิพระยเปรียบเทียบเอาไว้เห็นพระยาศรีหานีออกจากที่อาศัยตอนเย็นๆนะตอนที่มันจะโปรยเละใกล้ค่าตอนที่มันจะใกล้ค่ําหรือว่าตอนช่วงที่กําลังจะเช้าๆอย่างนี้นจะเป็นช่วงที่อาจจะเราจะาดูเหมือนๆกันอาจจะบ อ, อกไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ว่าเอ้มันจะค่ําหรือมันจะเช้าเป็นช่วงเวลาโปรยเละพระา ย, รยาศรีหานี่จะออกจากที่อยู่อาศัยนะเราก็จะเตรียมไปหาอาหาร ก่อนที่จะเตรียมไปหาอาหารนั้นออกจากที่อยู่อาศัยแล้วก็จะมาเหยียดกายยืดกายเหยียดขายืดขาเหยีด ย, ด, ยดออกแล้วก็บัลลือเสียนาดไปทั้งสี่ทนะิศสามครั้งบัลือเสียนาด3ครั้ ง, าาคงใครก็ตามที่ได้ยินเสียงเสียนาดของปัญญาสี่หยานนี้ก็จะกลัวมากนะพวกที่อยู่ในน้ำก็ลงน้ําทันทีพวกที่อยู่บนอากาศก็รีบบินขึ้นไปนะพวกที่อยู่ในถ้ำก็เข้าถ้ำนะช้างม้าของพวก กระสัที่เขาผูกตามข้องตามอะไรกับกระชากเชือกหนีดึงหนีนะไปหมดเพราะว่ากลัวประยาศรีหักระยาศรีหัก็มีเจตนาว่าเออเราจะออกหาอาหารนี่เราคำลามไปก่อนนะอย่าให้พวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันต้องมาเดือดร้อนพราะเราเราจะไปจับสัตว์ใหญ่กินอันนี้พระเจ้าบอกว่าเสียงธรรมะของพระองค์เนี่ยธรรมะที่ตถาคดประกาศเนี่ยเป็นเหมือนการบรนลือเสียนะัก เสียงที่มันส่งออกไปมันส탄ไปหมดกิเลสเนี่ยมันจะหนีไปหมดกิเลสมันจะไกลออกไปหมดบางทีเราฟังเสียงธรรมะเนี่ยแม้มันจะตายมันจะตายก็กิเลสมันตายให้กิเลสมันตายนะให้เราขูดออกลอกออกเสียงนี่แหละการบรรลือศีรษะนี่แหละให้กิเลสในใจมันหลุดออกเหลือแต่สิ่งที่บริสุทธิ์พระเจ้าบอกเจ้าพญาศีหานี้ในเวลา ออกจากถ้าที่อาศัยในเวลาเย็นไปหาอาหารเจอสัตว์ที่เป็นเหยื่อก็ตะครุบทีเดียวไม่ต้องซ้ำํำนะตะครุบทีเดียวเพื่อให้มันตายแล้วก็กินมันกินเองก็กินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อกระดูอะไรไม่ต้องแทะกัดคำเดียวทิ้งนะพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่คลอยเป็นเหมือนกับมาเก็บเหยื่อเก็บเศษอะไรกินมันก็มีก็จะได้ประโยชน์จากตรงนั้น ลักษณะของการหาเหยื่อการออกหาเหยื่อการกินเหยื่อการล่าสัตว์ของพระยาศริหรนันเป็นลักษณะที่แหมมีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นเดียวกันลักษณะที่พระเจ้าประกาศธรรมะนั้นะมีความยิ่งใหญ่อลังการมีความลักษณะเหมือนกับบรรลือศรีชนะแต่ขอไปนะท่านฟังสมัยปัจจุบันนี้ศรยชนะไม่มีนะไม่มีพรยาศรีหันอยู่ในปัจจุบันเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เราไม่เคยได้ยินอ ย, อย่างดีที่สุดก็คือสิงโตคำรามนะซึ่งมันก็ถูกจับคั้งอยู่ในกลงนะนั้นไม่ใช่สีหานาดไม่ใช่สีใหญ่แต่เป็นสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นนะที่มีอํานาจมากกว่านั้นที่มีฤทธิ์มากกว่านั้นทีนี้การาประกาศธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนกับการบรรลือสีขนาดนะตรงที่ว่าพระเจ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจสีนะ่ทุกเป็นอย่างนี้เฮกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลืออย่งทุกเป็นอย่างนี้ ทางเดินเนื้อใถึงความดับไม่เหลือแห่งตุ้เป็นอย่างนี้เขาบอกว่ า, าทุกสิ่งต้องต้องแต่ต้องตายนะต้องแจกดับไปนะนี่คือการบรรลือสีขนาดว่ า, ามันไม่มีอะไรเที่ยงนะพวกเทวดาสวรรค์ที่เขาอยู่บนเทวดาเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนจเจริญอยู่ตลอดกาลนานมนุษย์มันตายไปเป็นหลายคนหลายรุ่นแล้วฉันก็ยังอยู่ คิดวตัว เ, เองนี้เที่ยงแท้ยั่งยืนไม่มีวันเสีย่ยงไม่มีวันตายแต่พระุชาบรรลืศีลหน้าไปว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นนะเธอต้องระวังนะเธอจะต้องมารักษาศีลอย่าเพลิดเพลินลุ่มหลงในการมคุณมีการทําความเพียรเจริญภาวนาเราถึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นจากความความตายได้ไปสู่ที่ที่ไม่แก่ไม่ตายได้ทําให้เราเทวดาที่เขาได้ยินธรรมะในลักษณะนี้เนี่ย เหี่ยแห้งใจนะโอ้ยตายแล้วเ ร, เรามันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็มาสําคัญตัวเองว่าเที่ยงเราไม่ันไม่ยั่งยืนเราก็มาสําคัญตัวเองว่ายั่งยืนเรามันเป็นผู้ไม่มั่นคงก็มาสําคัญตัวเองว่าเราเป็นผู้มั่นคงคุณไม่คิดนะว่าคุณจะแก่หรอคุณไม่คิดว่าคุณจะต้องเจ็บหรอโราภาคภัยไข้เจ็บมันอยู่ทั่วตัวเราเาฉันไม่เจ็บเรายังหนุ่มอยู่ฉันไม่แก่ RE, แล้วนี่ยังสาวอยู่ยังสบายอยู่ความเจ็บไข้ในมีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิต เล็บกุณยาวหรือเปล่าผมคุณยาวหรือเปล่าแต่เล็บคุณยาวผมคุณอยาวคุณรู้หรือเปล่าว่าเซลล์คุณตายคุณถูกผิวหนังว่ามีขี้ใครออกไหมนั่นแหละเซลล์ตายนะไม่ใช่ว่าคุณโตขึ้นเจริญขึ้นนะและความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตเซลล์แต่ละเซลล์อวัยวะตับไตไส้พุงเครื่องแตต่างมันเสื่อมไปเปลี่ยนปลาแต่เพราะมันยังมีการเกิดใหม่การดับมันก็มีการตายก็มีการเกิดใหม่ก็มีเซลล์นี้เกิดเซลล์นี้ตายเซลล์นี้เกิดเซลล์นี้ตาย ทำการก๊อปี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนไหนที่มันยังมีเกิดมากกว่ามีตายเราก็ยังตั้งอยู่ได้แต่ตอนไหนที่มันตายเริ่มมากกว่าเกิดเราเริ่มเหี่ยวละเริ่มแก่ละเริ่มเสื่อมละจนกระทั่งมันไม่มีเกิดเลยมีแต่ตายเซลล์นี้ก็ตายเซลล์นั้นก็ตายเอาไวรัวนี้ก็หยุดทํางานเอาไวรัสนั้นก็หยุดทํางานมันก็ตายหมดอะความตายนี่แหละมีซ่อนอยู่ในชีวิตความแก่เนี่ยมีซ่อนอยู่ในความหนุ่มเพราะอะไรเพราะว่ายังขั้นแก่เนี่ยก็คลอดออกมา เขาบอกว่าแก่นะเด็กเริ่มอายุมากขึ้นแก่ขึ้นแล้วนะก็เป็นวัยรุ่นมันก็คือแก่ขึ้นตามวันตามเวลาเซลล์ต่างๆตเติบโตขึ้นนั่นแหละคือแก่สุกงอมขึ้นนั่นะก็คือแกนแก่นั่นเองการเสือเส่อมไปเสื่อมไปแห่งอายุเรามาดูให้รู้ตรงนี้นี่คือธรรมะเขาจะมาชมว่าโอ๊ยทุนยังไม่แก่เราคุณยังสวยอยู่แหมดูหุ่นสิตัวเอ้ยดูลึกๆขึ้นไหมเอาหนังออกดู เอาเนื้อออกดูลูดออกให้หมดเหลือแต่กระดูกอ่ะมันจะไปสวยอะไรต่อให้คนสวยนางงามจักรวาลเอามาแหมถ้าเป็นชนะตุเป็นอีสูงอีไซเป็นขี้กลากทั้งตัวเนี่ยยังไงมันก็ดูไม่ได้ต่อให้สวยขนาดไหนก็เถอะเราให้เห็นความจริงตรงนี้ว่าเราเองก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ตัวข้าพเจ้าที่พูดอยู่นี้ ไม่ใช่ว่ามีปากก็พูดไปหรือว่าแบบไปเที่ยวบอกให้คนนั้นคนนี้ไม่เสียวไม่งั้ไม่ใช่นะคือคือนี่เป็นธรรมะของบุรุชาติที่คอยเตือนว่าเออมันมีความเป็นอย่างนั้นได้แม้ถ้าเราจะสวยจริงๆจะเอางานจริงๆอลองไม่อาบน้ําดูสักเจ็ดวันไม่ต้องเจ็ดวันเราเอาแค่สวันพอคุณไม่แปลงฟันสักสามวันเพิ่งตื่นใช่ไหมอย่าเพิ่งแปลงฝันอมน้มําไว้เฉยนะจนถึงเย็นนะคิดดูโอ้โหอยู่ไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังนะไปข้างนอกนี่เขาอ็ยี่ เอานิ้วอุจจมูกแล้วนะจริงๆแล้วคือร่างกายของเรามันเหม็นมันเน่ามันเสื่อมมันไม่ใช่อย่างที่เราเอาอะไรมาฉาบทาาไว้เอาแป้งมาผัดเอาไว้เอาครีมมาทาเอาไว้เอาเครื่องสังเามพอกโปะเอาไว้หนาๆ น, นั่นนะเพราะว่ามันแค่ของปลอมแล้วเราต้องพิจารณาเห็นความจริงที่อยู่ในใจเราเสียงธรรมะนี่แหละเป็นเสียงจริงๆสเทื่อนออกไปเข้าไปในใจ ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงสวรรค์มันไม่เท่ากับเสียงธรรมหรอกเพราะว่าเสียงสวรรค์คือเสียงที่แบบว่าน่าไพเราะน่าชื่นฟังน่าชื่นใจฟังแล้วมันจับใจเนี่ยมันมีวันที่เปลี่ยนแปลงไปได้เขาจะชมคุณว่าสวยว่างงามว่าหล่อว่าเทว่าดีได้สักเท่าไหร่ถึงวันที่มันเหี่ยวมันย่นมันแก่มันหงอกมันงมเขาพูดนะหมายเขาก็เอาใจเราเฉย วาดูกระจกจริงๆเลยถ้าไม่ติดชื่อเอาไว้ไม่ได้ระบุชื่อว่า น, นี้เป็นใครมันจําไม่ได้เลยเวลาเวลาเขาเผาศพอเคยไปดูไหมบนเมนอย่างเงี้ยก็จะเปิดหน้าศพก่อนเอาเข้าเมนก่อนเอาเข้าเตาเผาเนี่ยช่วงเวลาที่เขาจะต้องเอาน้ำมะพร้าวมารถที่ใบหน้าศพเนี่ก็จําไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังแทบจะจํากันไม่ได้เลยถ้าไม่ได้เขียนชื่อเอาไว้ถ้าไมไ่รู้จักกันมาก่อนแต่เพราะว่าความแก่ความตายมันทำให้ สภาพร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปพอเรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นั้นน่ะล่กูคุณได้ยินเสียงธรรมะในใจกูแล้วเสียงธรรมะ ต, ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะทําให้มีความคลายกําหนัดความปล่อยวางได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความคลายกําหนัดความปล่อยวางในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ความสุขจะเกิดขึ้นฟังให้ดีนะเสียงสวรรค์นำความสุขมานิดนิดหน่อยๆชัว่วกราวฉาบฉวย ท่านั้นเอแต่เสียงธรรมะนาความสุขที่แท้จริงมาให้มันต่างกันยังไงสุขฉาบฉวยกับสุขแท้จริงมันต่างกันตรงที่ว่าสุขที่ฉาบฉวยนั้นมันแฝงไปด้วยโทษมันแฝงไปด้วยสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์ใจในภายหลังมันแฝงเหมือนกับยาพิษอ่เขาเคลือบเอาไว้นั่นด้วยของหวานเหมือนเหล้าเน่ยแม้กินแล้วมันเฮฮาเกลเะเลกแบบว่าสันเสริญบาร์ตี้กันมีความสุขเฮฮา แต่ว่ามันมีโทษหลายอย่างทาให้เสื่อมทรัพย์ทําให้เป็นประสาทแต่ทําให้เป็นเหตุก่อการวิวาททําให้คนไม่ชอบมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมามันฉาบทาเอาไว้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองประโยชน์มันนิดเดียวแต่แต่โทษมันเยอะมากแต่ความสุขที่เกิดจากเสียงธรรมเสียงธรรมที่เข้าไปในใจสะเทือนอยู่ในใจแล้เราวางสิ่งที่มันเป็นสุขระวางสิ่งที่มันเป็นทุกข์ ระาวาังสุขเวทนาระาวาังทุกขเวทนาเมื่อไรก็ตามที่เราวางสุขเวทนาวางทุกขเวทนาได้สิ่งที่เหลืออยู่นั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นสุขยิ่งกว่าความรู้สึกที่เป็นสุขและเป็นทุกข์เมื่อไรก็ตามที่เราวางได้สุขและทุกข์สิ่งที่เหลืออยู่นั่นคืออุเบกขาสิ่งที่เหลืออยู่นั่นคือความสุขที่เกิดจากอุเบกขาอุเบกขาสุขท่านผู้ฟังกับสุขเวทนาไม่เหมือนกัน อุเบกขาสุขเอาอย่างสมมติเราแม้ดีใจจนขนลุกสู้ในะลักษณะของปีติอิ่มเอิบใจสบายใจมันก็ไม่เหมือนกับความดีใจที่เวลาเราดีใจแบบสบายๆนะมันไม่เหมือนกันนะก็คือลักษณะของปีติกับสุขเนี่ยมันหยาบละเอียดไม่เท่ากันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางปีติเราวางไปแล้วสุขเราก็วางด้วยทุกเราก็ไม่เอานะาวางให้หมดเราจะเหลือความสุขที่กระจากอนะุเบกขาในอุเบกขาสุขเนี่ยมันมี มีแทกอยู่มีแฝงอยู on inside, ่เวลาที่เรามารู้ดูลมหายใจของเรารู้ดูลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้นั่นคือเรามีสติอยู่สติอยู่ในไหนสติอยู่ในลมหายใจของเราลมหายใจของใครไม่ใช่ลมหายใจของพระเจ้าไม่ใช่ลมหายใจของคนย่างกางไม่รู้ก็ตื่นเลยยังหรือไม่ใช่ของคนหายใจของผู้ฟังท่านอื่นแต่เป็นลมหายใจของเราเองอยู่ที่ไหนเห็นไหมยังหายใจอยู่หรือเปล่า เป็นคนอยู่หไหม่ถ้าเรายังหายใจอยู่เป็นคนอยู่เอามืออังดูมันยังมีลมเข้าลมออกอยู่ให้เอาสติของคุณเอาจิตของคุณเนี่ยไว้ตรงนั้นการที่เราเอาจิตของเราเอาสติของเราไว้ตรงนั้นคืออาการที่เรามีสติแล้วมีสติอยู่ไหนในลมหายใจของใครของเธอเองมีแล้วยังไงก็สตินี่แหละจะเป็นตัวที่ทําจิตของเราให้เล่นไปสู่วิมุตได้วิมุติคืออะไรวิมุติคือความหลุดพ้นปล่อยวางจากสิ่งที่มากระทบ หลุดพ้นปล่วางจากสิ่งที่มันเป็นสุขบ้างมันเป็นทุกข์บ้างเสียงสวรรค์ท่านผู้ฟังมันน่าชื่นใจมันน่ารื่นรมใจก็จริงแล้วเมื่อไร่ที่มันหายไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างื่นนั่นคือความทุกข์ที่แฝงมางทันทีเราไม่ต้องพูดถึงเสียงทุกข์หรอกความทุกข์เนี่ยใครๆก็ไม่อยากได้แต่เมื่อไรก็ตามที่เราวางความสุขได้เราจะวางความทุกข์ได้ความทุกข์มันง่ายว่าไม่เอาไม่เอาใครๆก็วางได้ มันจะกลายเป็นสุดต่ อ, อข้า ง, างนลยนะถ้าวางแล้วมันเราไม่อยากได้จะกลายเป็นถ้ามันจะมีขึ้นมาเราจะกลายเป็นมีความโทสะความพยาบาทเราก็ต้องวางตรง น, นั้นด้วยความสุคนี่แหละที่มันวางยากมันฉาบ ห, หวานหวานทาเอาไว้แต่ข้างในมันเป็นพิษเราจะวางได้อย่างไรระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนกับคนเอาเครื่องดื่มมาชนิดหนึ่งมีทั้งสีสันสวยงามรสชาติหวานชื่น กินเข้าไปแล้วจะซาบซาบอยู่ในท้องในคอแต่ว่าเจือด้วยยาพิษ ถ, นะถ้าเราเป็นคนที่ระวังง่ายๆโง่นะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยฉลาดเอาพูดอย่างงี้แล้วกันไม่รู้จักพิจารณาให้ดีซะ ก, ก่อนแหมหิวน้ามากเลยเห็นไอ้นี่เขาอุปสาร์บอกแล้วว่ามียาพิษแต่มันอร่อยนะจะฟาดเข้าไปหมดแก้วเนี่ยแหมมันจะชื่นใจสักหน่อยแป๊บเดียวนั่นหวานคอ สาบซานไปทั้งทอทั้งท้องทั้งปากไม่พอสิบนาทีก็จะต้องชักดิ้นชักงอตายเพราะยาพิษนั่นเองแต่ถ้าคนที่พิจารณาให้ดีดูให้ดีเอ้ยเราเหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำเราเห็นน้ำชนิดนี้แม่แต่ว่ามันเป็นยาพิษนะเอางี้แล้วกันเราเว้นอันนี้ซะนั้นเราไปกินน้ำเปล่าก็ได้กินเครื่องดื่มเช่นนมก็ได้กินเครื่องดื่มอื่นที่มันไม่มีพิษก็ได้นะเราก็จะ ยืดอายุของเราไปได้สบายอยู่คนประเภทหลังนี่คือคนฉลาดเราพิจารณาดูอ่ะคุณต้องการความสุขเหรอสุขที่เกิดจากสุขเวทนานะมันฉาบช่วยนะอย่างคนมีความทุกข์แมมปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาการเมืองปัญหานั่นปัญหานี่ยืมเงินก็ไม่มีใครเอาให้นะลูกทําไมเป็นอย่างนี้ผัวเป็นว่าไม่ฟังการเงินเป็นอย่างงาั้นครอบครัวเป็นอย่างนี้มีปัญหาต่างๆรุมเร้าไปหมด ก็ไปหาความสุขอย่างฉาบฉวยแต่ไปความหาความสุขที่กระจกตาหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นไปฟังคุณฉาบฉวยคุณไม่ได้พิจารณาให้ดีแต่ถ้าเราพิจารณาให้ดีเฮ้ยเราไม่หาความสุขอย่างนั้นก็ได้เร า, าหาความสุขที่ละเอียดกว่าเหนือกว่าสูงกว่าลึกซึ้งกว่ามันดีกว่าคือความสุขที่กระจกในภายในของเรามันมีอยู่จุดหนึ่งท่านฟัง ที่มันเป็นจุดที่มันมีความสุขที่เกระจากอุเบกขาเป็นความสุขที่เกิดจกการเราปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราวางตรงความอยากที่เราจะไปหาความสุขทางสิ่งภายนอกให้เราหันจิตของเราเน่เข้ามาภายในเราจะหันจิตจับจิตของเราเข้ามาในภายในได้คุณจะต้องมีสติสติเนี่ย มันแล่นมาจากจิตนั่นเองจิตบุรุชาตบอกว่าจะเป็นที่เล่นไปสู่สตินะเราจะจับจิตได้คุณต้องมีสติคุณเอาสติเนี่ยจับจิตเอาไว้เพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะแล่นไปสู่จิตมันจะคอยดึงจิตไปเดี๋ยวคนนั้นก็โทรมาชวนโอ้ยไปกินเถอะไปเล่นเถอะไปเที่ยวเถอะนะอินทะรีย์เนี่ยมันจะแล่นไปสู่จิตมันจะคอยดึงจิตไปตามสิ่งต่างๆถ้าเรามีเพื่อนชั่วนะโอ้แย่เลยนะไม่ได้เพื่อนชัว่วเดี๋ยวมันยืมเงินเราอีกแหม มันแย่ยจริงเราก็พยายามที่จะหันกลับนะโดยให้จิตนี้นะให้มันแล่นไปสู่สติซะในะอินทรีย์ต่างๆจะเป็นที่แล่นไปสู่จิตมันจะค่อยดึงจิตไปเราเอาจิตของเราเนี่ยให้เล่นไปสู่สตินะจิตที่แล่นไปสู่สติก็คือให้มันอยู่กับลมหายใจในะอย่าให้พยายามสิ่งดีกระแสสังคมกระแสโลกเขาว่ากันไปนะอะไรกันต่างๆมันก็ไปตามเรื่องตามราวนั่นแหละแต่จิตของเราเนี่ยให้มั่นคง น้ำมันคงเหมือนเสาหินทั้งแท่งท่านผังหินทั้งแท่งยาว16ศอกนะเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเอาเสาหินทั้งแท่งยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกเนี่ยฝังลงไปในดินนะลึก8ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกแล้วโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกนะฝังให้มันได้ฉากด้วยตบดินให้แน่นนะเสาหินที่ยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกฝังลงไปในดินอย่างดีแล้วเนี่ยลมพัด ฝนตกใส่คนจะมาโยกมาอะไรมันไม่เสเถือนจิตของเราให้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้ลมหายใจของเรามันเข้าออกอยู่นะมันไม่ได้อยู่นิ่งๆเราจะให้จิตของเราอยู่นิ่งได้เราไม่ต้องตามลมให้เรารู้ลมหายใจของเราอยู่เฉยๆอยู่อย่างธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมให้เรามารู้ถึงจุดสัมผัสที่เรามารู้อยู่กับลมหายใจ น, นี้ เวลาเรารู้เราทำได้อย่างเป็นธรรมชาติการรู้ในที่นี้หมายถึงระลึกรู้คือการรับรู้สัมผัส น, นั่นเองเรามาระลึกรู้นึกถึงทําความรู้สึกเข้าไว้ในลมหายใจของเรานะี่ยจิตมันทีมันอาจจะไปคิดนั่นนี่โน่นบ้างก็ธรรมดานะอย่าไปเสียใจอย่าไปมีความคิดว่าฉันมันทําไม่ได้หรอกลองทําดูนะเาื่อนลองทําดูขอให้ทําได้แม้สักครั้งเดียวคุณชื่อว่าประสบความสําเร็จแล้ว ขอให้คุณทําได้แม้สักหนึ่งเดียววินาทีเดียวคุณก็ชื่อว่ามีเชื้อของสิ่งที่ดีแล้วคุณก็ชื่อว่ามีกุศลธรรมอยู่ในใจของคุณแล้วในกุศลธรรมที่เรามีนี่แหละทําให้มันเติบโตขึ้นงอกงามขึ้นเจริญขึ้นเวงเวลาเราทําไม่ได้นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยแหมจิตสงบนาทีเดียวอีกยี่สิบเก้านาทีมันฟุ้งซ่านตลอดก็พระเจ้าก็บอกว่าไอ้ทำหนึ่งนาทีนั่นแหละให้มันค่อยๆเจริญขึ้นไม่ใช่ว่า เราจะไปคิดว่าโอ้ยยต่อหนึ่งอาถือว่าไม่ได้ถือว่าตกไม่ใช่คุณผ่านแล้วหนึ่งคุณผ่านแล้วหนึ่งนาะทีตรงนั้นคุณผ่านแล้วคุณออยตรงที่คุณผ่านนั่นแหละมาทำให้มันมากขึ้นขยายขึ้นรดน้ำลงไปปรวนดินให้นะต้นไม้มันจะค่อยๆโตนั้นะเปรียบเหมือนกับศรัทธาในจิตของเราพละสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้งห้าอย่างพละหอย่างในจิตของเราเนี่ย เราค่อยๆประคบประคองบ่มอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นผู้ชมใช้คําว่าบ่มบ่มเนี่ยในภาษาบาลีหมายถึงการหุงอย่างหุงข้าวเนี่ยเขาจะต้องเอาความร้อนใสปิดฝาไว้ให้มันเดือดบ่มข้าวให้มันสุกเช่นเดียวกันเราเจอภัสสะที่มากระทบเนี่ยเป็นตัวที่เราจะบ่มอินทรีย์ของเราให้มันดีขึ้นเราจะบ่มอินทรีย์บ่มด้วยอะไรอย่างเวลาที่เราเจอเขาคนเขาด่าหรือว่ามีสิ่งต่างๆมายั่วยุน นะมีสิ่งต่างมาล่อลวงให้เราไปทำไม่ดีนั่นแหละจะเป็นผัสสะที่เราจะสามารถทำให้จิงของเรานั้นมีการบ่มอินรีของเราให้มันดีขึ้นได้บ่มอิน่ใช้อะไรบ่มนะไอ้นั้นมันเป็นสิ่งที่มาทดสอบนะเราจะต้องบ่มด้วยทานบ่มด้วยศีลบ่มด้วยการภาวนาบ่มจิตของเราบ่มอินรีของเราบ่มพละของเราให้มันดีขึ้นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนา เวลามีภาษาที่ไม่น่าพอใจหรือมีภาษาที่น่าพอใจเราใช้ทานใช้ศีลใช้ภาวนาเป็นตัวตอบสนองให้จิตของเรานั้นอยู่ในแดนที่แข็งแรงอยู่ในมรรคอยู่ในเส้นทางที่จะให้อินทรีย์ของเรานั้นเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นมีศรัทธามากขึ้นมีเวยะสติสมาธิปัญญาความเพียรให้มันมาขึ้นมันอาจจะถูกเ ป, ป๋ไปถูกนอก นีคนเขาด่าเราทนไม่ไหวเราตอบสนองไปด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธร ร, ร, นนรมนีตอบสนองไปด้วยความตระนีตอบสนองไปด้วยความเบียดเบียนตอบสนองไปด้วยความปยาบาทอันนั้นจะทําให้จิตของเรานั้ยมันมันเน่ามันเละนะอกุศลธรรมก็จะโตขึ้นให้เราปรับลำนะขยับจิตของเราให้มันถูกต้องนะการปรับลำขยับจิตของเราให้ถูกต้องนั้นก็หมายความว่าให้จิตของเราอยู่ในทางนั้นนี่ทนผู้ฟัง อยู่ในทางที่จะเดินสู่ไปไปสู่นิพพานอยู่ในทางที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพานมรคคือทางนิพพานคือการว่างจากความทุกข์นะความสุขที่เรามีในปัจจุบันโลกเนี่ยฟังฟังเอ้ยพระพุทธเจ้าสอนว่ามันน้อยมากเนะีเราตื่นช้ามาเรามีข้าวกินนอนสบายแหมแต่มันก็ยังมีทุกข์จากการไปเข้าห้องน้ำาและมีทุกข์จากการไปทำไอ้นั่นอันนี้เนะี่ยแดดร้อน อากาศร้อนบ้างมันก็ยังมีความทุกขที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้อยู่แต่แต่ความสุขอื่นๆที่มันเหนือกว่าละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่านี่อยู่ในใจของเราในให้เราเห็นเราจะเห็นได้ยังไงเห็นนี่ไม่ได้ว่าใช้ตาดูนะเราก็ไม่ได้ใช้หูฟังนะแต่เห็นได้ด้วยตาข้างในตาข้างในจะเปิดได้ด้วยเสียงพระเจ้าบอกว่าผู้ใดมีโสตประสาทโสตนี่คือหูคือเสียงนะจะ สามารถมองเห็นประตูสุนิพันธ์อันเป็นอมตะได้มองเห็นเห็นประตูสุนิพันธ์อันเป็นอมตะเห็นนี้ไม่ได้ใช้ตาข้างนอ ก, นอกคุณจะหลับตาก็ได้นต่มันเห็นอยู่ข้างในเห็นอยู่ข้างในอะไรเป็นกุญแจหูคุณนั่นแหละหูคุณเป็นกุญแจที่จะไขให้ใจเราเปิดตาในเราเปิดให้เห็นเห็นเนยเห็นตามอริยสัตสี่ไง เห็นแล้วซึ่งทุกขสมุทัยนิโรธและมักเห็นตามเสียงธรรมะเสียงบรรหลือศียานาที่พระเจ้าประกาศไว้เสียงนั้นดังมาทั้งส6งพันหก้กว่าปีแล้วท่านฟังตอนนี้ยังดังอยู่เลยบึมบึมบึมอยู่นะเสียงนั้นก้องอยู่ในใจของเราเสียงนั้นเป็นเสียงที่ใครเมื่อฟังแล้วจิตใจของเราก็จะเป็นจิตใจที่ปล่อยวางจากความทุกข์ เป็นจิตใจที่ไม่ไปยึดถือสิ่งที่มันจะมาทําให้เราทุกข์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นไปตามกระแสโลกธรรมดามันเป็นเรื่องของมันที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันธรรมดาอะไรที่มันจะแตกจะหักจะพังจะชิบหายจะไม่ให้มันแตกไม่ให้มันหักไม่ให้มันพังไม่ให้มันชิบหายมันเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เราเข้าใจตรงนี้คุณหรือชื่อว่าเห็นคุณได้ฟังเสียงธรรมะที่พเจ้าประกาศไว้ตั้งสองพันหกร้กว่าปีแล้ว มันดังๆังอยู่ยังกึกกล้องอยู่ในใจของเรายังดังอยู่ยังกึกกล้องอยู่ตามสถานีวิทยุบ้างตามทีวีบ้างหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตอะไรเขาก็ไปลงบ้างนั่นแหละเสียงเนี่ยมันสะท้อนมันกล้องมันบรเลือกันต่อไปแต่เพราะความที่ปรากฏมีของพระพจาตัวนึ่งเราเมื่อได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วให้เงี่ยโสดลงสะดับให้ค่อยตั้งใจฟังให้ดีตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงให้สําคัญว่าสิ่งเนี่ย เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเล่าเรียนเมื่อเราศึกษาเล่าเรียนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราไปตลอดกาลนานไม่ใช่แค่พบนี้ชาตินี้เท่าั้นฟังแต่บางคนหูหนวกบางคนฟังเสียงไม่ค่อยชัดต้องเปิดดังๆเอาเปิดมันดังๆ ใ, ให้มันดังเข้าไปในใจของเราให้ใจของเรามันรับรู้รับฟังเสียงที่เป็นธรรมะรับรู้รับฟังเสียงที่เป็นธรรมะแล้วให้มันเปิดออกเบอร์ตาออกเบอร์ตาใจาให้มันเห็นอริยสัจสี่เราฟังไปอย่างนี้ มันต้องบางทีมันไขไม่ได้นะมันต้องไขหลายๆรอบนิดหนึ่งแตบางทีรูกุญแจมันแน่นก็ไขๆนิดหนึ่งแตฟังไปอีกฟังซ้ำๆฟังยํำๆฟังสม่ําเสมอนะการฟังซ้ําๆยํำๆสม่ําเสมอนั่คือการทําให้เจริญนั่นเองพระอาจาบอกว่าการฟังทำตามการเป็นมงกลมอย่างยิ่งนะเราก็ฟังบ่อยๆฟังไปเรื่อยๆนะฟังแล้วค่อยมาพิจารณาตามนะฟังแล้วเราคิดวิเคราะห์ว่าใจของเราเป็นยังไง กายของเราเป็นยังไงใจของเราตอนนี้ถูกบ่มด้วยทานไหมถูกบ่มด้วยศีลถูกบ่มด้วยการภาวนาหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เราจิตใจของเราถูกบ่มให้เต็มนะมีอินทรีย์เต็มเปี่ยมแล้วอินทรีย์บารมีเต็มขึ้นมาแล้วแล้วคุณจะสามารถที่จะเห็นได้ประตูสู่นิพพานอันเป็นอมตะจะเปิดออกเราจะก้าวเข้าไปสู่ในประตูนั้นได้ธรรมะของพระเจ้ า, ม า, าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ล้าหลังไม่ได้เป็นสิ่งที่พ้นสมัย แต่ยังมีอยู่ในใจของเราทุกคนขอให้เพียงเรามองให้เห็นกุญแจเห็นได้เราคุณต้องมีกุญแจเปิดออกนะนั่นคือเปิดหูออกนะให้ฟังธรรมะของพระเจ้าตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงให้สําคัญว่าเป็นสิ่งที่เราจะมาศึกษาเล่าเรียนเมื่อเราเล่าเรียนศึกษาอย่างดีแล้วนะก็ทําให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้ น, นไปนะในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบูลอภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศก กัมเป็นผู้ที่แสงทรามให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้เราพูดถึงเรื่องการปฏิบัติทางจิตนะที่ใช้ท่านฟังได้ไปฝึกปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมาเพราะนั้นการปฏิบัตินี้เราค่อยๆ ท, ทําไปนะผู้ฟังเรามารู้ลมหายใจอยู่ยังไงเราก็หายใจอยู่แล้วจะไปหายใจทิ้งทําไมนั่นก็ให้หายใจของเราเนี่ยมีใจของเรากํำกับอยู่มีใจที่มีสติกํากับอยู่เท่านั้นเองนัเราก็ชื่อว่าปฏิบัติแล้วนั่นในการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าได้กําไรทั้งสองฝ่าย ทั้งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเราก็ได้ทั้งการปฏิบัติที่นอกเหนือรูปแบบเราก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนระบบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จเจริญบอล